วันนี้เป็นวันพระวันเติมทรัพย์ภายในทำไมเราจึงต้องเติมทรัพย์ภายในกันเพราะว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกไปได้แต่เราสามารถเอาทรัพย์ภายในไปได้ ถ้าเราไม่เตรียมทรัพย์ภายในกันไว้ไม่เติมทรัพย์ภายในเข้าไปในหัวใจของพวกเราเวลาที่ร่างกายตายไปเราจะไม่มีทรัพย์ติดตัวไปนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องเตรียมเงินของประเทศที่เราจะไปกันไปประเทศจีนก็ต้องเตรียมเงินของประเทศจีน เอาเงินของประเทศไทยไปแลกเงินของประเทศจีนไปญี่ปุ่นก็เอาเงินของประเทศญี่ปุ่นเพราะถ้าเราไม่แลกเอาไว้เดี๋ยวไปประเทศของเขาเขาจะไม่รับเงินของเรานั่นเองเราก็ต้องวุ่นไปกับการหาที่แลกเงินแต่เวลาที่เราไปจากโลกนี้มันไม่มีที่แลกเงินเราต้องแลกเงินก่อนไป ไปต่างประเทศนี่ยังพอเอาเงินไปแลกได้ตามธนาคารต่างๆแต่ก็อาจจะยากก็ได้บางธนาคารเขาก็ไม่รับแลกเห็นทางที่ดีเรามักจะต้องเตรียมเงินของประเทศที่เราจะไปกันไว้ล่วงหน้าก่อนพอรู้ว่าจะไปประเทศนั้นเราก็เอาเงินไทยไปแลกเตรียมมาไว้ พอเราเดินทางไปถึงประเทศนั้นเราก็มีเงินใช้ได้ทันทีจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าท่องเที่ยวอะไรต่างๆจ่ายค่าซื้อข้าวซื้อของต่างๆออพวกเราก็เหมือนกันพวกเราจะต้องออกเดินทางกันไป อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยโลกภายในโลกทิพย์ได้อยู่ภายในใจเรารใจเราอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยตอนนี้ใจเรามาเกาะติดยกับร่างกายอยู่ที่โลกกระทานแต่พอร่างกายนี้ตายไปใจจะไม่มีร่างกายเกาะใจจะไม่สามารถใช้ร่างกาย พาไปหาความสุขต่างๆได้ไม่สามารถใช้ร่างกายเอาเงินทองที่หามาได้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันตอนนั้นใจก็ต้องหาต้องอาศัยทรัพย์ภายในที่ได้เตรียมเอาไว้ถ้าไม่เตรียมทรัพย์ภายในไว้ เวลาไปก็ไปแบบขอทานเนี่ยพวกที่เราอุทิศบุญให้เนี่ยเราเป็นห่วงเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นขอทานหรือเปล่าแต่เราพรัมเผื่อกันไว้เวลาคนที่เรารู้จักตายไปแล้วเราทำบุญเราทำทรัพย์ภายในกันเราก็แบ่งทรัพย์ภายในส่วนหนึ่ง ให้กับพวกที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วถ้าเกิดเขาเป็นขอทานเขาก็จะได้อาศัยทรัพย์ภายในคือบุญนี้ให้เขาได้เอาไปใช้พอบรรเทาความหิวโหวยได้บ้างแต่ไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทาน ขอทานเขาก็ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า น, นั้นหวังพอให้ได้มีเงินไปซื้อข้าวมากินซื้อน้ํามาดื่มเขาก็พอใจแล้วเขาไม่ได้หวังว่าจะต้องมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรออนี่ก็คือเรื่องทรัพย์ภายในที่พวกที่พวกเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่เชื่อ แต่เป็นความจริงนี่ยพอพระพุทธเจ้านี่ท่านมีดวงตาดวงตาเห็นสิ่งต่างๆภายในโลกทิพย์เนี่ยเห็นดวงวิญญาณต่างๆที่ไปอยู่กันหลายหลายระดับด้วยกันหลายจุดด้วยกันโลกทิพย์ก็มีก็เป็นเหมือนโลกของเรานี่ มีแบ่งเป็นประเทศมีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีในโลกทิพย์เขาก็มีแบ่งประเทศกันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปที่ประเทศไหนเราก็สะสมทรัพย์ของประเทศนั้นไปทรัพย์ที่มีที่เราจะสะสมได้ ที่จะพาให้เราไปสู่ประเทศต่างๆภายในโลกทิพย์นี้ก็มีอยู่สามด้วยกันสามประเทศหรือสามชนิดด้วยกันคือหนึ่งเทวทัพย์เ่สองพรมทรัพย์สามอริยทรัพย์เนี่ ย, ย, น, ยนี่คือระดับของดวงวิญญาณ ที่จะไปอยู่ตามระดับต่างๆได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์ที่มีติดตัวไปถ้ามีเทวทรัพย์ก็จะไปอยู่ในเทวโลกถ้ามีพรหมทรัพย์ก็จะไปอยู่ในพรหมโลกถ้ามีอริยทรัพย์ก็จะไปอยู่อริยโลกโลกของพระอริยเจ้านี่แหละ คือสิ่งที่พวกเราทำกันได้ในขณะนี้ถ้าไม่ทำก็น่าเสียดายเพราะไม่ทำไม่สะสมทรัพย์ภายในไปก็จะไปเป็นขอทานแล้วก็ต้องมาคอยรอรับทรัพย์ของผู้ที่เขามีชีวิตอยู่เวลาเขาทำสะสมทรัพย์ภายในทำบุญเขาก็จะแบ่งทรัพย์ภายใน ให้กับเราเราก็ไปไหนไม่ได้อยู่แบบขอทานไปวันวันหนึ่งจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ น, นี่แหละคือเรื่องของพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันเป็นความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อก็ควรจะเปลี่ยนมาเชื่อได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นคนโกหกพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสั่งคำสอนเป็นความจริงทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้สอนเพื่อที่จะหวังรับเงินเงินตอบแทน สอนใหฟ้ฟรีเรียกว่าธรรมทานเหมือนกับไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนฟรีเรียกว่าวิทยาทานโรงเรียนระดับประถมมัธยมนี่รัฐบาลเป็นคนใจ่ายให้เราไปเรียนฟรีกันหรือเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยระดับมหาวิทยาลัยถ้าเป็นของรัฐบาลก็ ถูกกว่าของเอ ก, กชนนะเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้ใจ่ายให้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันมาเรียนธรรมมาจากพระพุทธเจ้าก็สอนฟรีๆไม่มีการเทศนะความจริงไม่ควรจะมีการเทศมีการเทศก็แสดงว่าไม่มีไม่เป็นธรรมทานนะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงถ้ามีการเทศแล้วมีการเอาบาทไปเรียลายรับเงินค่าการเทศนี่อันนี้เป็นไม่ได้เป็นทานจะแล้วเป็นการเก็บค่าธรรมะค่าธรรมเนียมเวลาพระเทศบางวัดเขาจะมีบาทวางไว้เขียนไว้การเทศหรือตู้ หรือบางทีก็มีลูกศิษย์เดินถือบาตรถือภาชนะไปรับเงินบริจาคจากญาติโยมที่นั่งฟังอยู่ญาติโยมเมื่อเขามาขอเขาต้องให้อันนี้ไม่ควรที่จะทำเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเก็บเงินจากใคร พระพุทธเจ้าไม่เคยขายธรรมะแล้วเรื่องอะไรเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาขายกันอันนี้ขัดหลักของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ความจริงในเบื้องต้นนี้ไม่อยากจะแสดงธรรมเสียด้วยซ้ำไปไม่คิดอยากจะหาผลประโยชน์จากการแสดงธรรม อยู่เฉยๆสบายกว่าเยอะเรื่องอะไรต้องมาปากเปียกปากฉีกมาพูดให้พวกคนหูหนวกตาบอดฟังพูดไปแล้วมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ทําตามนี่คือความคิดในเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นนี่คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นกันนั่นเองเพราะไม่มีดวงตา ที่จะดูสิ่งที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคือตาในหรือตาทิพย์เนี่ยหรือตาใจเนี่ยตัวนี้คนพวกเรานี้ตาในถูกปิดมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาด้วยความหลงด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ความจริงไปรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่รู้กัน แล้วพอใครมาบอกก็ไม่เชื่อเพราะตัวเองมองไม่เห็นก็เลยไม่เชื่ออ่นี่คือความคิดของพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆตอนตัดสรู้ใหม่ๆนี้คิดแล้วก็ไม่รู้จะไปสอนใครมองไปทิศไหนก็เห็นมีแต่คนหูหนวกตาบอดเต็มไปหมดก็เลยตอนต้นไม่คิดที่จะสอนใคร แต่ต่อมาเท้ามหาพรหมได้มากราบขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะคนทุกคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกหูหนวกตาบอดแต่ก็มีบางส่วนอาจจะมีไม่มากที่หูไม่หนวกตาไม่บอด เพียงแต่ว่ายังไม่เปิดอย่างเต็มที่พอที่จะเห็นอะไรลำลีดำลายพอที่จะได้ยินเสียงอะไรบ้างคน่วงนี้เขาสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคําำคำสั่งคําสอนของพระองค์ได้เนี่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงนั่งพิ จ, จารณาใกล้กวนอยู่แล้ว ก็แยกแยะสัตว์หรือคนไว้สี่จำพวกด้วยกันนะ เ, เปรียบเทียบเหมือนกับบัวสี่เหล่ า, ามีพวกที่หูตาสว่างแล้วาสามารถที่จะเห็นอะไรตามที่พรุทธเจ้าชี้บอกให้เห็นได้นี่พวกนี้พวกที่หนึ่งเรียกว่าพวกบัวเหนือน้ำ พวกที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี่เป็นพวกที่หนึ่งที่มีหูตาเปิดแล้วแต่ยังมองมองไปผิดทิศทางไม่ได้มองไปในทิศทางที่ควรจะมองจึงสอนให้มองไปในทิศทางที่ควรจะมองพอสอนไปให้มองไปที่อริยาาสัจสี ไปที่ตายลักก็เห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีเห็นมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นตายลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เห็นโลกของอริยะเจ้าขึ้นมาทันทีนนี่คือพวกที่หนึ่ง พวกนี้เขาเป็นพวกที่ได้สะสมพรหมรัพ์เขาได้สะสมรั์ภายในระดับพรหมรัพไ้แล้วคือพวกนี้เป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่ได้ฝึกสมาธิได้เข้าฌานได้เข้ารูปฌปานได้เข้าอรูปฌานได้เนี่ยพวกที่เข้าอรูปรูปฌานหรือรูปฌานนี้คือพวกที่มีพรหมรัพนั่นเอง เวลาเขาตายไปดวงวิญญาณของเขาจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี่คือพวกที่หนึ่งคือพวกนักบวชที่ได้ฌานได้สมาธิแล้วแต่ยังไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ที่จะชี้ให้ออกจากพรหมโลกเพื่อเข้าสู่อริยะโลกโลกของพระ อ, อริยะเจ้า เพราะว่าโลกของพระอริยเจ้านี้จะไม่ติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าได้ก้าวเข้าสู่ขั้นโลกของพระอริยเจ้าแล้วนี้จะหลุดออกจากวัฏะสงสารได้วัฏะสงสารคือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่แบ่งไว้สามภพด้วยกัน กามาพบรูปรพบและอารมณ์พบเนี่ยกามาพบก็พบของพวกมนุษย์และเทวดาสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตอสุรกายหรือนรกนี่เป็นพบของผู้ที่ยังเสกกามอยู่กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะนี่เองที่มนุษย์อย่างพวกเรานี้เสกกันทุกวัน ตื่นขึ้นมาก็สรรหารูปเสียงกลิ่นรสกันมาเสพละยังหิวอยู่กับการเสพกามอยู่เลยต้องติดอยู่กับการมาเกิดในกามะพบนะส่วนพวกที่ละกามการเสพกามได้แต่ไปเสปรูปประชานหรืออรูปประชานแทนพวกนี้ก็จะออกจากกามภพบไปสู่ไปอยู่ในรู ป, ประพบหรืออรูปประพบนะ รูปภพก็ภพของพรหมที่มีรูปอรูปภพก็เป็นภพของพรหมที่ไม่มีรูปเป็นภพที่ละเอียดกว่าภพของพรหมที่มีรูปมีความสุขมากกว่ามีความสุขสูงสุดในไตภพคือภพของอรูปภพลองลงมาก็ภพของรูปภพ ลองลงมาก็พบของกามาพบของเทวดาของเทวภพลองจากเทวภพก็เป็นภพของมนุษย์เนี่ยลองจากภพของมนุษย์ก็ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานซึ่งไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เพราะต่ำกว่าภพของมนุษย์แล้วนี่เป็นภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขเนี่ย พบของสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์มากกว่าพบของมนุษย์การกินอยู่ของสัตว์เดรัจฉานทุกยากลำบากกว่าภัยที่จะมาคุกคามก็มากมายกว่ามนุษย์นอกจากนั้นก็มีพวกเปรตพวกกสุลกายพวกนรกนพวกนี้เป็นพวกที่เหมือนกับไปติดคุกติดตารางในต่างประเทศ พวกที่ไปต่างประเทศลักลอบเข้าประเทศเนี่ยแช่นไปวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็หลบหนีไม่กลับบ้านอยู่แบบโรบินฮูดเขาเรียกอยู่แบบโจนถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ก็จับไปติดคุกติดตารางดวงวิญญาณก็โลกของดวงวิญญาณก็มี คุกมีตารางสำหรับพวกที่ลักลอบเข้าเข้าไปโดยผิดกฎหมายคือพวกที่ทำผิดศีลลธรรมนี้ถือว่าเป็นพวกลักลอบเข้าเข้าโลกทิพย์ไปพอตายไปเจ้าหน้าที่ทางของโลกทิพย์เขาก็มาจับไปติดคุกติดตารางจับไปอยู่กับพวกสัตว์เดรัจฉานจับจับไปอยู่กับพวกเปรตแล้วแต่ทำผิดแบบไหน ทำผิดโดยไม่รู้เขาก็จับไปอยู่กับพวกเดรัจฉานทำผิดด้วยความโลภเขาก็จับไปอยู่กับพวกเบสทำผิดด้วยความกลั ว, วก็จะบไปอยู่กับพวกกสุลกายทำผิดด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จับไปอยู่กับพวกนรกเนี่ยนี่คือพวกที่ทำบาปคือผิดศีลคำว่าผิดนี่ก็คือผิดศีลอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้ แต่ผิดศีลผิดศีลคือฆ่าสัตว์กฎหมายนี้เขาไม่ถือว่าผิดกฎหมายถ้าไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่ามดฆ่าแมลงเหล่านี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ทางกฎแห่งกรรมเขาถือว่าผิดผิดศีลต้องไปรับใช้ บาเวลาตายไปต้องไปติดคุกติดตารางในอบายในโลกทิพย์เขามีคุกตารางเรียกว่าอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่พวกเดรชาญพวกเรสพวกกสุลกายพวกนรกพวกนี้เป็นเหมือนพวกที่ลักลอบเข้าไปประเทศต่างประเทศโดยไม่มีวีซ่า มิซ่าเข้าไปเขาให้ไปท่องเที่ยวเจ็ดวันสิบห้าวันแต่พอพอหมดเวลาก็ไม่กลับบ้านอยู่ต่ออยู่แบบผิดกฎหมายเหมือนกับพวกขเขมรพวกเพื่อนบ้านเราที่มาอยู่ประเทศเราก็เหมือนกันเขาก็มาอยู่แบบผิดกฎหมายพอตํารวจจับได้เขาก็จับไปติดคุกแล้วก็จับในประเทศส่งกลับบ้านไป นี่คือพวกดวงดวงวิญญาณที่ชอบทำบาป ก, กันดังนั้นในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปสู่พบของเทวดาพบของพรหมพบของพระอริยเจ้าได้เราต้องไม่ทำผิดกฎหมายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายไปจะถูกกฎแห่งกรรมมาจับไปขังไว้ในอบายเนียนัต้องถือศีลห้ารักษาศีลห้าไว้ให้ได้ ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาพยายามอย่าทำหรือทำให้น้อยที่สุดแล้วถ้าเราอยากจะไปอยู่ที่เทวโลกเราก็ต้องอเติมทรัพย์ของเทวทรัพย์วิธีเติมเทวทรัพย์ก็คือการทำบุญทําทานนี่ เช่นใส่บาททุกวันทำบุญใส่บาททุกวันหรือจะทำบุญชนิดต่างๆปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือคนทุกข์ยากเดือดร้อนถ่ายชีวิตวัวควายทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญกับวัดก็ได้บุญได้ได้เทรทรัพย์ ทำบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้บุญได้เทวทรัพย์ทำบุญกับคนจราคนพิการคนด้อยโอกาสเด็กพิการทางสมองหรือเด็กพิการทางร่างกายก็ได้เทวทัพย์เหมือนกันได้บุญเหมือนกันนี้คือวิธีที่เราจะซื้อเทวาทัพย์กันมาเติมเทวทรัพย์กัน ด้วยการบอยจากแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้แ<ม>ทนที่จะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆอย่าใช้เงินแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เป็นทรัพย์ภายในเอาติดตัวไปไม่ได้เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดนได้ความสุขเดี๋ยวเดียว<ม>เหมือนกับเวลาเราเสพยาเสพติดเนี่ยเวลาเสพยาตอนนั้นโอเหมือนได้ขึ้นสวรรค์<ม>แต่ขึ้นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอฤทธิ์ยาหมดนี่ก็ตกลงมาจากสวรรค์ทีนี้ก็ทุกข์แล้วสิ แ้วถ้าไม่มียาให้เสพทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่จึงต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆพอมันติดแล้วมันจะต้องคอยเสพเพราะเวลาไม่มีเสพมันจะทุกข์มากนั่นเองฉะนั้นอย่าไปซื้ อ, อยาเสพติดยาเสพติดของพวกเราก็ซื้อความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปดู ละครน้องรำทำเพลงอะไรต่างๆดูละครสัตว์ดูกายกรรมหรือไปเที่ยวตามสวนสนุกต่างๆสวนสาธารณะต่างๆเหล่านี้เป็นการเหมือนซื้อยาเสพติดนะได้ความสุขแป๊บเดียวแล้วก็ติดแล้วก็ต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าซื้อแบบนี้แล้วมันจะไม่มีเงินมา มามามาซื้ออาลัยะไม่มางไม่มีเงินมาซื้อทรัพย์ภายในกันนั่นเองเหรนั้นถ้าเราคิดถึงอนาคตของเราคือเราไม่ได้จบตรงที่ความตายของร่างกายถ้าเราจบที่ความตายของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่พอเลยเพราะถ้าเราคิดว่าชีวิตของเรามีแค่ตอนขณะที่มีร่างกายอยู่เท่านั้น พอร่างกายจบแล้วเราก็จบเราก็สูญหายไปหมดอย่างนี้ก็เที่ยวได้กินได้ดื่มได้ดูได้ฟังได้เอาให้เต็มที่เลยเพราะเดี๋ยวพอร่างกายทําไม่ได้แล้วก็จะไม่มีความสุขแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะสิเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราไปต่อเนี่ยเราต้องไปเข้าไปในโลกทิพย์ต่อแล้วตอนนั้นแหละเราจะรู้ว่าเราจะไปที่ไหนเรามีทรัพย์ติดตัวไปหรือไม่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวอย่างเดียวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเงินมาทำบุญกันมีก็ทำแบบพอหอมปากหอมคอเช่นทำเวลาวันเกิดก็ทำกันสักครั้งหนึ่ง ในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาทำบุญกันซะหน่อยทำแค่นี้ไม่พอหรอกมันเหมือนกินข้าววันละปีละสองสามครั้งนี่จะพอไหมปีหนึ่งกินข้าววันเกิดห้นหนึ่งปีใหม่ห้นหนึ่งแล้วช่วงอื่นก็หิวโหวยนี่คือลักษณะของใจของพวกเราที่ทำบุญน้อยเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราจึงหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นโน้น กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเพราะว่าเราไม่มีอาหารใจคือทรัพย์ภายในมาหล่อเลี้ยงใจเหล่านั้นเองดังนั้นเราต้องฝืนแล้วถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองแบบนี้อยู่ถ้าเราใช้เงินทองไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราต้องพยายามหยุดมันให้ได้ทำให้มันน้อยลงไป เช่นตอนต้นก็เอาลดลงไปร้อยละสิบก่อนเช่นเดือนนี้ใช้เงินหมื่นไปเที่ยวเอาใช้แค่ห้าพันแบ่งมาพันหนึ่งไปทำบุญเดือนหน้าเพิ่มเป็นสองพันลดมันไปเรื่อยๆเพราะเงินที่เอามาทำบุญนี้ไม่สูญหายในเงินที่ไปเที่ยวหมดแลนะหมดแล้วหมดเลย พอเที่ยวรถกลับมาจบแล้วจบเลยนะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปแนละ้วแล้วตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนะเราต้องเชื่อว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะเราต้องเชื่อว่าเรายังต้องเดินทางต่อไปเรายังต้องไปต่างประเทศกันเหองั้นะอย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปเมืองจีนนะเนี่ยเตรียมเงินเงินเมืองจีนไว้ไม่ใช่เที่ยวกันจนไม่มีเงินติดตัวไปเราจะไปถึงเมืองจีนแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวก็ถูกเขาจับติดคุกติดตารางไปเป็นขอทานอยู่ต่างประเทศนี่คือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องดวงวิญญาณพวกที่ไม่เชื่อว่าเวลาร่างกายตายไป ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นดวงวิญญาณต่อไปดังนั้นขอให้เชื่อว่าไม่ตายแล้วไม่สูญตายเพียงร่างกายแต่ใจผู้ที่เป็นผู้ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็ต้องอาศัยทรัพย์ภายในเป็นเครื่องมือแทนถ้ามีเทวทรัพย์ก็จะได้ไปเที่ยวในเทวโลกได้ไปอยู่ในเทวโลกได้ถ้ามีพรหมทรัพย์ก็ไปอยู่ในพรหมโลกได้ถ้ามีอริยทรัพย์ก็ไปอยู่ในอริยโลกได้ถ้าไม่มี ก็อยู่แบบขอทานอยู่แบบติดคุกติดตารางถ้าไปทําบาปถ้าไม่ได้ทําบาป<ม>ก็จะอยู่แบบมนุษย์คือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อถ้าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญหรือทําบุญกับทําบาปเท่าเทกันบาปก็ไม่มีกําลังที่จะดึงให้ไปอยู่ในอบาย บุญก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอยู่ในเทวโลกก็จะไปอยู่ไปรอเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่มนี่คือที่ไปของของพวกเราต่อไปในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยตายกันหมดนะพวกเราอีกห้าสิบปีถ้าเราจะนัดพบกันนี้มันจะเจอกันหรือเปล่าเราคงไม่เจอแน่ๆละห้าสิบปีเราไปแล้วเนี่ย นี่ก็เจ็ดสิบสองก็ไปแล้วมันจะอยู่สักกี่ปีเปี่ลองคิดดูนะมันมานะห้าสิบปีข้างหน้ามันไม่ใช่มันไม่มาเนี่ยห้าสิบปีข้างหน้าพวกเราลองคิด บ, บวกอายุดูว่าจะอายุเท่าไหร่เถ้าตอนนี้อายุห้าสิบก็เสียวแล้วล่ะไปแน่ๆนะใครจะอยู่ถึงร้อยกันวนะน้อยเนียงั้นคิดให้ดีนะมันใช่เป็นของโกหกนะ ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกไกลในตอนนี้แต่เพิ่แป๊บเดียวมันไม่รู้มันมาถึงตัวเราได้ยังไงเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเพิแป๊บเดียวเจ็ดสิบสองปีเข้าไปแล้วไม่รู้มันมาได้ยังไงให้คิดเสียบ้างว่าเรายังจะต้องมีเรื่องที่เราจะต้องทำต่ออีกคือ เราต้องมีที่พึ่งมีที่อาศัยมีทรัพย์เนี่ยเราจะต้องออกเดินทางจากประเทศไทยไปสู่อีกประเทศหนึ่งถ้าเราไม่เตรียมตัวเดี๋ยวอาจจะต้องไปแบบผู้พยพเนี่ยไปอยู่ตามชายแดนเขาไม่ให้เข้าประเทศ เ, เพราะไม่มีเงินเข้าประเทศไม่มีวีซ่าอนุ ญ, ญาตให้เข้าประเทศได้เช่นสมัยที่เขมร เ, เขาต่อสู้กันเนี่ย มีกกลางเมืองเขาก็อบพยพกันหนีมาอยู่ตามชายแดนเนเราไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยเพราะเขาไม่มีเงินเข้ามาเดี๋ยวเาก็มาขโมยเงินของคนในประเทศเราเนี่ยเขาไม่มีงานทาก็ต้องขังเขาไว้อยู่ตามชายแดนมีค่ายกักกันนพวกที่ไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในไว้ก็จะเป็นแบบนั้นเวลาตายไปจะไปแบบผู้อบพยพบเนี่ย ไปติดคุกติดตารางอยู่ตามค่ายตามชายแดนต่างๆแล้วก็เป็นขอทานรอให้เขาเอาอาหารมาแจกเรอให้สาปาระช า, ชาติเอาอาหารมาแจกพวกอบพยพที่อยู่ตามชายแดนกันนี่แหละคือพวกที่ประมาทไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้านี้โกหกหลอกลวง ดอกให้ทำบุญเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาสุขสบายไม่ใช่หรอกการทำบุญนี้เพื่อเราเราทำเพื่อเรามากกว่าทำเพื่อคนอื่นคนอื่นเป็นเพียงเป็นเหตุทำให้เราได้ทำให้กับเราถ้าเราไม่มีคนทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ไม่รู้จะไปช่วยใครใ ถ้ามีแต่คนรวยก็ไม่รู้จะเอาเงินไปให้เขาทำไมเขาก็ไม่อยากได้เงินของเราเขามีเงินมีทองของเขาดัางนั้นเราต้องอย่าไปคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นนี้เป็นการให้ประโยชน์กับคนอื่นเพียงทายเดียวความจริงเป็นประโยชน์สำหรับตัวเรามากกว่า เพราะเป็นการสร้างทรัพย์ภายในนี่สะสมทรัพย์ภายในคือเทวทรัพยนะ์การทําบุญทําทานชนิดชนิดต่างๆนี้เป็นการสะสมทรัพย์ในระดับของเทวาของเทวดาเรียกว่าเทวทรัพยนะนะนะนะ์มนุษยยศทรัพย์คืออะไรมนุษยทรัพย์ก็คือการไม่ทำบาปนี่น ถ้าเราไม่ทำบาปห้าข้อเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ตายไปเราก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์แารที่จะไปเป็นเดราฉานเราก็มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำบาปไม่รักษาสีห้าข้อนี้ตายไปก็ไปเป็นเทพไปเป็นเดาชะฉานฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องไม่ทำบาปกันก่อน เพื่อรักษาสถานภาพเดิมของเราไว้ในตอนนี้ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปก็อย่าทำบาปเพราะถ้าเริ่มทำบาปแล้วเราจะเริ่มกลายพันธุ์ล่ะกลายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทีละเล็กทีละน้อยหรือไปเป็นเปรตเป็นนสุลกลายไปเป็นนรกถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ พอเราตายไปเราก็ไปรอคิวรับร่างกายอันใหม่เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ข้อที่สองถ้าถ้าเราอยากจะไปเที่ยวในโลกของเทวดาไปเทวโลกเราก็ต้องมาทำบุญทำทานกันไม่ทำบาปแล้วรักษาศีลแล้วเราก็ต้องมา ทำบุญทำทานกันเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เอามาทําบุญให้หมดถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็ขอแบ่งมาก่อนก็นแล้วกันถ้าเคยใช้เงินร้อยหนึ่งไปเที่ยวก็แบ่งมาสักสิบบาทนะเที่ยวแค่เก้าสิบก็พอเอาเงินสิบบาทมาทําบุญมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์กันามาเปลี่ยนเป็นเทวทรัพย์กัน แล้วพอทำได้สิบก็ขอมันเพิ่มเป็นยี่สิบขอมันไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเลิกเที่ยวได้เลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้หรืออาจจะซื้ออาจจะซื้อนานๆสักครั้งหนึ่งนานๆก็แบ่งให้มันบ้างแต่ไม่ต้องให้มันทั้งร้อยทั้งร้อยแบ่งเป็นเก้าสิบกับร้อยเก้าสิบกับสิบก็แล้วกันแบ่งให้ไปเที่ยวสักสิบ เอาเก้าสิบนี้มาทำบุญทำทานกันเราจะได้มีทรัพย์เยอะๆเป็นเทวทรัพย์เพราะยิ่งมีเทวทรัพย์มากก็ยิ่งจะอยู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นโลกของเทวดาก็มีแบ่งไว้หกระดับด้วยกันมีความสุขมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับกำลังของเทวทรัพย์ที่เราสะสมกันไว้ ก็เหมือนกับพวกเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีเงินหนึ่งล้านก็อยู่ระดับหนึ่งล้านใช่พวกเศรษฐีสิบล้านเขาก็อยู่ระดับสิบล้านพวกร้อยล้านเขาก็อยู่ร้อยล้านพวกพันล้านเขาก็อยู่พันล้านบ้านเขาก็ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นรถเขาก็ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นอาหารเขาก็แพงขึ้นพิสดารมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราสะสมทรัพย์เทวทรัพย์ได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับเนี่ยอันนี้คือการสะสมทรัพย์ชนิดแรกทรัพย์ภายในชนิดแรกคือเทวทรัพย์ที่พวกเรามาทำกันวันนี้ก็มาสะสมเทวทรัพย์กันเอาข้าวของเงินทองมาถวายพระหรือไม่เช่นนั้นถ้าอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ทำบุญใส่บาตรไปทุกวัน ถ้ามีพาะผ่านมาทางบ้านก็ใส่บาทถ้าไม่มีเอาเงินใส่บาทใสก่กระปุ ก, กเอาไว้ก็ได้ควรหัดทำทุกวันมันจะติดเป็นนิสยัยแล้วจะทำง่ายแล้วจะทำได้มากกว่านานๆนนทำสักหนึ่งเช่นรอวันเกิดทำาักทีตอนต้นก็กะจะทำมากพอคิดพอจะทำจริงๆชักจะเสียดายนะ แต่ถ้าเราทำวันละเล็กวันละน้อยมันสะสมไปปีหนึ่งนี้ได้มากได้มากกว่าที่เราจะเอามาทำบุญในวันเกิดครั้งเดียวอยงนั้นต้องพยายามทำอยู่บ่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสยัยวันไหนไม่ได้ทำแล้วมันจะรู้สึกขาดอะไรไม่ทำกับพระทำกับขอทานก็ได้หรืออยากจะทำกับโรงเรียนโรงพยาบาลเราก็เอาเงินใส่กับปกไว้ พอมีเต็มกระปุกเราก็เอาไปบอยจากให้โรงเรียนโรงพยาบาลหรือองค์กรสาธารณกุศลเช่นพวกปอเท็กตึงร่วมกั น, นอยูไปซื้อค่าไปไปซื้อลงศพอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นการซื้อเทวรัพย์เหมือนกันแต่ควรจะทำทุกวันมันจะได้มาก ถ้านานๆ ท, ทําทีนี้มันจะได้น้อยถึงแม้คิดว่าจะทํามากๆแต่พอถึงเวลาจริงๆมันจะเสียดายเงินมันจะทําไม่ได้เะนนคนบางคนบอกถ้าถูกก็ตะเลขจะทําบุญอย่างนู้นอย่างนี้พอถูกเข้าจริงๆโอ้โลรอดเหลือนิดเดียวทํานิดเดียวเวลาที่ยังไม่ถูกโอขอพระขอเลขขอหวยสัญญองสัญญาว่าจะทําบุญอย่างนู้นอย่างนี้ พอถูกเข้าจริงๆลืมคำมั่นสัญญาไปหมด <Yeah. S 1> นะนี่คือความตนหนีมันมีอยู่ในใจมันเป็นเหมือนกาวที่ทําให้เวลาจะฟักเงินไปทําบุญนี่มันฟักไม่ออกกาวมันมันติดกาวไว้แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวนี่มันไม่มีกาวติดเลยมันฟักออกมาเท่าไหร่เท่านั้นเลยอยากจะใช้เท่าไหร่ใช้ได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว ไปเที่ยวครั้งหนึ่งเป็นแสนเที่ยวได้ทำบุญครัง้งละแสนนี้ทำไม่ออกนั่นแหละเพราะว่าเรายัางไม่เคยทำไม่เคยฝึกทำบุญกันไม่เห็นผลที่เกิดจากการทำบุญเวลาทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขอันนี้จะไม่เห็นนทำใหม่ๆก็จะยังไม่เห็นหรือนานๆทำทีมันก็ยังไม่เห็นต้องหัดทำทุกวันทำทุกวันไป แล้วพอวันไหนไม่ทำแล้วมันถึงจะรู้ว่าวันนี้ทำไมไม่มีความสุขนั่นแหละมันถึงรู้ว่าอ๋อเพราะเราวันนี้เราเราไม่ได้ทำบุญนั่นเองนี่คือเรื่องการมาสะสมทรัพย์ระดับแรกคือเทวทรัพย์เป็นระดับที่ง่ายกว่าพรหมทรัพย์หรืออริยทรัพย์นั่นเองขั้นต้นเราต้องใบสู่เทวโลกก่อน พอไปถึงเทวโลกแล้วทีนี้เราก็สามารถยกระดับจากเทวโลกขึ้นไปสู่พรหมโลกได้วิธีที่จะทำให้เรามีพรหมทรัพย์ทำอย่างไรก็คือเราต้องมารักษาศีลเพิ่มจากศีลห้ามาเพิ่มเป็นศีลแปดนะเช่นวันพระเนี่ยวันนี้ถ้าใครที่ถือศีลห้าเขาก็จะมาถือศีลแปดกันเป็นการฝึกขัดไปก่อนอ ยังทำไม่ได้ทุกวันก็ทำเรามาทำอาทิตย์ละวันก่อนเรามาถือศีลแปดกันวันนี้เอ mm hmm. ไม่กินข้าวเย็นกันสักวันดูดูสิว่าจะตายไหมไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนสักคืนหนึ่งจะตายไหมไม่ดูหนังดูละครสักคืนหนึ่งสักวันหนึ่งจะตายไหมไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ตา่ตางๆจะตายไหม ไม่ได้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกนนหนาๆจะตายหรือเปล่า mm hmm. ต้องนอนกับเตียงเตียงไม้หรือนอนกับพื้นแข็งๆ mm hmm. พื้นปูนพื้นไม้ปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสือ่อ mm hmm. ดูซิว่ามันจะตายหรือเปล่า mm hmm. มันไม่ตายหรอก mm hmm. แต่มันดีมันมีประโยชน์กับใจเพราะมันจะทำให้เรามีเวลามาสร้างพรหมมาซั์กันนั่นเอง mm hmm. mm hmm. การจะสร้างพรหมมาซัา์เราต้องมีเวลามาสร้าง มันไม่เหมือนสร้างเทวซับนี่ไม่ต้องใช้เวลามากใส่บาทแั๊บเดียวไปซื้อของข้างถนนที่เขาขายพอพระมาก็ใส่ปุ๊บก็เสร็จละได้เทวซัพยบละแต่พรมทรัพย์นี่มันต้องใช้เวลาสร้างมากกว่าคือต้องมาฝึกสมาธินั่นเองต้องมานั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจเข้าฌานได้เมื่อไหร่นั่นเถะถือว่าเราได้ได้พรมทรัพยบละ ถ้าย่างเข้าฌานไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่ายัางยังไม่ได้ยังไม่ได้พรมมารับบางคนคิดว่าพอนั่งสมาธิแล้วได้บุญแล้วยังไม่ได้การนั่งเริ่มนั่งนี่เป็นเพียงแต่เป็นการเริ่มปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี้ปลูกแล้วก็ต้องมาคอยลดน้ำพรวนดินคอยดูแลรักษามันจนกล่ามันจะออกดอกออกผลขึ้นมานั้นนะถึงจะได้บุญได้ผล การฝึกสมาธิก็เหมือนกันบางคนนั่งมาเป็นปียังยั่งยังไม่ได้ฌานสักทียังไม่สงบสักทีเนียังไม่ได้ยังไม่ได้ผลนะแต่ว่าได้ประโยชน์ไหมก็ได้คือได้ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนถ้าไม่ปลูกต้นไม้เลยเดี๋ยวมันไม่มีผลออกมาเนี่ยงั้นการนั่งสมาธิก็ได้ประโยชน์แต่ยังไม่ได้ผลนะยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้รมมารับเนี่ย ต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนถึงจะได้พรห ม, มรัพแต่ถ้าไม่นั่งก็ไม่ได้ก็ต้องนั่งไปจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่านั่งเป็นหรือไม่เป็นฝึกมากหรือฝึกน้อยถ้าฝึกไม่มากมันก็ยากต่อการที่จะได้ผลเหมือนนักมวยเนี่ยถ้าไม่ฝึกช้อมอยู่เรื่อยๆโอกาสที่ไปชิงแชมป์ก็ยาก จะมารอฝึกตอนที่จะขึ้นเวทีนี่มันไม่ทันการต้องเตรียมฝึกไว้ต้องต้องเยอะต้องเสียสละเวลาที่เอาไปใช้กับการกระทําอย่างอื่นไปคนที่จะไปพรหมได้พรหมทรัพ์นี้ต้องสละความสุขของเทวทรัพย์ของเทวโลกหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย สีหานี่สีข้อสามก็แบ่งห้าไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองคือสามีภรรยาไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายก็พอคือรับประทานไม่เกินเที่ยงวันแล้วก็ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากการดูหนังดูละครน้องนาทาเพลง แต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงต่างๆอันนี้ต้องต้องหยุดต้องเสียสละต้องเสียสละความสุขทางตาหูจมูกลินกายถึงจะมีเวลามาฝึกสติเพื่อทําให้ใจสงบให้ใจเข้าฌานได้นะใจจะเข้าฌานได้ในี่ใจต้องมีตัวดึงเข้าไปอยู่ดีๆมันไม่เข้าไปเอง <c oughs> เพราะว่าในใจนี้มีกระแสะคอยผลักให้มันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอะไรคือตัวที่ผลักให้ใจนี้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็คือตัวก Duncan ิเลสตัณหาเนี่กา a r m a ตัณหาเนี่ยความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี้มันจะคอยดันใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปเสบรูปเสี ย, กนนยงกลิ่นรดอยู่เรื่อย ใจมันจึงไม่เข้าฌานไม่ได้กันนะเพราะมันออกมันไม่เข้าเนยฌานอยู่ข้างในใจนแต่ใจนี้มีตัวคอยดันให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในเพื่อเข้าฌานได้ดง น, นั้นถ้าต้องการเข้าฌานก็ต้องปิดตาหูจมูกเล่นกายด้วยการถือศีลแปดเนี่ยการถือศีลแปดก็เหมือนกับการปิด ประตูของตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้หาความสุขจากกินอาหารไม่ให้หาความสุขจากการเที่ยวเตะการดูหนังฟังเพลงการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปนอันนี้ต้องใช้ศีลมาเป็นตัวปิดประตูปิดตาหูจมูกนิ้นกาย แล้วก็ใช้สติเป็นตัวดึงใจให้เข้าไปเพราะถึงแม้จะปิดประตูแต่ตัวกิเลสที่คอยดันให้ออกมันก็ยังคอยดันอยู่อย่างนั้นเพราะฉนั้นต้องใช้สติให้มันมีกำลังมากกว่ากิเลสพอสติมีกำลังมากมากกว่ากิเลสใจก็จะเริ่มเข้าสู่ข้างในใจก็จะเริ่มสงบที ล, ละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวก็สงบเต็มที่นิ่งสงบเต็มที่ เป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมานะต้องมีสติเป็นตัวดึงเข้าไปหรือตัวดันเข้าไปเพราะเรามีกิเลสเป็นตัวดันให้ใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าเราต้องการให้ใจสงบใจเข้าฌานได้เราต้องฝึกสติให้มีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตันหาที่จะคอยผลักดันให้เราออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกก่กัน เบื้องต้นจึงต้องฝึกสติให้มากๆให้มันมีกําลังมากกว่าเราจะรู้ได้อยงว่าเรามีสติมีกําลังมากกว่าถ้าเราสามารถหยุดความคิดต่างๆได้นั่นแหละสแสดงว่าเรามีกําลังมากกว่ากิเลสแล้วเห็นตอนนี้ถ้าเรากําลังคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดเราต้องมาหยุดมันกันวิธีหยุดก็ต้องใช้กรรมาฐานเป็นเครื่องมือ กรรมฐานเช่นพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นกรรมฐานให้เราเราเลือกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจแล้วความคิดต่างๆมันก็จะหายไปหยุดไปถ้าเราไม่พุโทโธมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนู้นต่อคิดเรื่องนู้นแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนี้ต่อคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืน ทั้งๆ ท, ที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิดทั้งๆ ท, ท, ที่อยากจะหยุดคิดมันยังหยุดไม่ได้บางคิดแล้วก็ทําให้เศร้าโศกเสียใจทําให้ร้องห่มร้องไห้ก็ยังหยุดมันไม่ได้นั่นพราะเราไม่มีกรรมฐานไม่มีสติเนี่ยเราต้องมาฝึกกรรมฐานกันมาฝึกสติกันด้วยการนํดาลึกถึงพุทโธพุทโธอันนี้เป็นกรรมฐานที่ ใช้ใช้ได้ง่ายไม่ยากเย็นถึงใช้ให้ถึงสอนให้ใช้พุทธโธเนะี่ยสวดบริกรรมพุทธโธไปหรือบางท่านจะสวดอิติปิโส ต, ตามอายุก็มีเนยะมาเช้านี้ไปโยอหมอตืน่นมาสวดมาใส่บาทไม่ทันเพราะไปนั่งสวดอิติปิโสสองร้อยจบนะสองร้อนยะนะจบนี่มันสามสี่ชั่วโมงแกบอกนะนะแต่สวดแล้วมันใจมันเย็นมันสบายนะ มันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือวิธีการที่จะทำให้มีสติที่จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ความคิดมันก็ถูกกระแสของกิเลสเนี่ยนะเป็นตัวผลักดันให้คิดกันคิดเพื่อที่จะได้พากิเลสไปหาสิ่งที่มันอยากได้นั่นเองกิเลสมันก็จะให้เราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคิดถึงลาบยศสารเสวน เนี่ยวันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงอะไรก่อนอนะ่ะหาเงินก่อนแนละ้วหากินก่อนแนละ้วตื่นขึ้นมาก็ต้องหาอะไรกินแนละ้วหาอะไรดื่มก่อนแล้นะเสร็จแล้วก็หาเงินต้องเลยต้องไปหาเงินมาเดี๋ยวไม่มีเงินมันก็ไม่มีซื้อของกินของดื่มอีกเฮ้วันวันหนึ่งมันก็คิดอยู่กับไอ้เรื่องหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่เคยหยุดคิดมันไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจาก การเข้าฌานกันเห็นไหพระพุทธเจ้าบอกให้เรามาสร้างสติกันเถิดมาสร้างพรหมทรัพย์กันก่อนเพื่อเราได้สัมผัสกับความสุขของพรหมทรัพย์ว่ามันวิเศษกว่าความสุขของเทวทรัพย์นยะเาฝึกสติมาหัดพุทโธพุทโธกันพอเรามีพุทโธมีกําลังมากแล้วต่อไปความคิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตา แล้วก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดเองนถ้าพุโทโธมีกำลังมากแล้วกิเลสไม่สามารถดันให้ความคิดโผล่ขึ้นมาได้พุโทโธก็จะทำให้ใจเข้าฌานได้พอเข้าฌานทีนี้ก็จะได้สัมผัสกับความสุขของพรหมารับแล้วว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความหมายก็เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายที่พวกเราเสพกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราเสพความสุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นกันความสุขแบบนี้เมื่อมาเทียบกับความสุขที่ได้จากการเข้าฌานแล้วคนลระดับกันความสุขที่ได้จากการเข้าฌานนี้เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกเล้นกาย แล้วมันจะทําให้เรามีกําลังที่จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายได้เพราะเราได้ของที่ดีกว่านั่นเองเหมือนถ้าเรายังใช้รถคันเก่าอยู่ยังไม่มีรถคันใหม่เราก็ต้องทนใช้มันไปก่อนดีกว่าไม่มีใช่ใชไหมแต่พอเราได้รถคันใหม่เอี่ยมมามีคนใจดีซื้อรถคันใหม่ให้เราเนี่ยเรายังจะขับรถคันเก่าหรือเปล่า เราก็ยกให้คนอื่นไปยกให้คนที่เขาไม่มีไปเรามาขับรถคันใหม่ดีกว่าเรื่องอะไรไปขับรถคันเก่าทำไมอันนี้ก็เหมือนกันนะพอเราได้ความสุขจากความสงบเราได้รพรหมพย์แล้วทีนี้เราก็ไม่ไปกลับไปหาเทวซาเพกแล้วเราก็จะเราก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการห า, ารัพรหมพย์ไปเรื่อยๆ แต่การมีพรหมพย์นี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ายัางสู้การมีอริยทรัพย์ไม่ได้อถ้าอยากจะมีความสุขที่ดีกว่าพรหมพย์นี้ต้องขึ้นไปสู่อริยทรัพย์และแล้วอริยทรัพย์นี้ดีกว่าพรหมพย์ที่ตรงที่ว่ามันทําให้ไม่ต้องกลับมาเติมอยู่เรื่อยๆการมีพรหมพย์นี้เดี๋ยวต้องกลับมาเติมเดี๋ยวมันหมดเหมือนน้ามันรถเติมแล้วเดี๋ยวมันหมด แล้วเดี๋ยวจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมใหม่มันยังติดอยู่ในวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏนั่นเองการไปเกิดในพรหมโลกนี้ยังอยู่ในอยู่ในกรมอยู่ในรูปภพอรูปภพอยู่เป็นภพที่ยังมีการเสื่อมมีการหมดมีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกกับการมีร่างกายใหม่อีก ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดนี่ต้องเลื่อนระดับขึ้นไปสู่อริยสัพเพพอได้พรหมสัพเ์แล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนพรหมสัพเพให้เป็นอริยสัพเพวิธีเปลี่ยนก็คือใช้ปัญญามาคอยสกัดตัวที่จะมาทำลายพรหมสัพเพพรหมสัพเ์นี้มันเสื่อมเพราะมีตัวมาทำลายให้มันเสื่อม ตัวที่มาทําลายก็คือตัวกิเลสตัณหานี้พอช่วงไหนสติอ่อนกว่ากิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะเริ่มมามาทำให้พรหมรพย์เสื่อมทันทีถ้าเราไม่อยากจะให้พรหมรพย์เสื่อมอยากจะเปลี่ยนพรหมรพย์ที่เสื่อมให้เป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมเราก็ต้องใช้ปัญญาเราก็ต้องปฏิบัติขั้นวิปัสสนาเราต้องรู้จักไตรักษณ์รู้จัก อริยสัจสี่ 4. ถ้าเรารู้จักตายรักรู้จักอริยสัจสี 4, เราก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหามันไม่กลัวอะไรในโลกนี้มันกลัวอริยสัจสีมันกลัวตายรักถ้าใครเห็นอริยสัจสีเห็นตายรักนะสามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมดเลย พระพุทธเจ้าทำมาแล้วท่านถึงเอามาสอนเราเมื่อก่อนใจของพระพุทธเจ้าก็ถูกกิเลสตัณหามาคอยทำลายทรัพย์ต่างๆที่เราได้สร้างกันไวน้นี่พอส่งได้คนสงคนพบอาวุธคือปัญญาสงคนพบตรลักอนิจจงทุกขังอนัตตาสงคนพบอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมากเท่านั้นแหละกิเลสตัณหานี่วิ่งหนีกันหมดเลย มันเป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์อะไรก็ว่าได้ระเบิดนิวเคลียร์ที่จะทําลายกิเลสตัณหาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หายไปหมดเลยใครได้ใครได้เข้าสู่ระดับปัญญามีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เห็นอริยสัจสี่ mm hmm. เห็นใจรัก mm hmm. เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ว mm hmm. ก็เท่ากับการมีระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก้าศึกศัตรูมีกี่ตัวนี่ ยนระเบิดนิวเคลียร์ไปลูกเดียวตายหมดเลยนี่คือทรัพย์อาวุธอันประเสริฐเรียกธรรมอาวุธนอาวุธของธรรมะคืออริยสัจสีคือใตรักเนี่ยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเห็นใจรักจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ครอบงมจิตใ จ, จมาเป็นเวลายาวนานให้หายไปหมดเลย ทำให้ไม่มีตัวที่จะมาคอยผลักดันให้จิตของเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปทำให้จิตของเราหลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดทำให้จิตของเราเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คือโลกที่อยู่ข้างนอกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดในพระนิพพานอีกต่อไปโลก อนิพานี้ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่มีคนร้องห่มร้องไห้ไม่มีคนเศร้าโศกเสียใจไม่มีคนคิดฆ่าตัวตายเป็นโลกของคนที่มีแต่ความสุขสุขเนาะสุขหนอะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนี่แหละคือทรัพย์อันประเสริฐที่สุดคืออริยทรัพย์ที่พวกเราสามารถมาสร้างกันได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจึงอย่าปล่อย เวลาอันมีค่านี้ให้หลุดมือไปโดยไม่ได้สะสมทรัพย์อะไรเลยเบื้องตอน้นการลองมาสะสมเทวทรัพย์กันก่อนพอได้เทวทรัพย์แล้วก็มาสะสมพรห ม, มทรัพย์กันต่อพอได้พรห ม, มทรัพย์แล้วก็มาสะสมอริยทรัพย์กันต่อแล้วเราจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กันคือการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ความสุขของพระนิพพานคือนิพพานังปลมังสุ ข, ขังที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระที่พวกเรามากันในมาทำกันในวันนี้เรามาเติมทรัพย์ภายในกันแล้วแต่กำลังของเราว่าจะเติมทรัพย์แบบไหนเหมือนกับปั๊มสถานีบริการรถยนต์ รถยนต์แต่ละชนิดก็ใช้น้ํามันต่างกันบางพวกก็ใช้เก้าสิบเอ็ดบางพวกก็ใช้เก้าสิบห้าบางพวกก็ใช้ดีเซนออันนี้ก็เหมือนกันญาโยมมาที่นี่บางคนก็มาเติมเ ท, เทวาทรัพกันบางคนก็มาเติมพรหมทรัพกันบางคนก็มาเติมอริยทรัพกันแล้วแต่ชนิดของจิตใจของแต่ละคนแต่ระดับไม่เหมือนกันะ น, นี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอ่อน ยะถาวาเรวะหาปูราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกปฏิอ an ิทิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวโตอันตระโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนาสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม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 วันนี้ทาง Facebook เข้ามา486ย<ม>ูทูบ454วิดีโออนไลน์23รับฟังข้างบนนี้68คนรวมทั้งหมด 1,031 ครับโอเคเมื่อวานนี้ลืมถามจำได้ไหมเมื่นะ อ, อวานนี้ของเมื่อวานนะครับ<ม> Facebook 431 YouTube 376 <ม><ม>วิดีโออนไลน์20 รับฟังข้างบนนี้47คนรวมทั้งหมด874ครับวันนี้มากกว่านะทาง YouTube ทาง a c e b o o กนี่เกิน400นะก็เริ่มต้นจาก100 200ขึ้นไปคนเริ่มรู้จักก็แชร์กันไปก็มีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจาก ผู้ฝากถามคําถามแรกในการปฏิบัติภาวนาจําเป็นต้องมีครูอาจารย์ที่อ่านจิตของเราได้ไหมครับเออไม่ต้องอ่านจิตแล้วขอให้รู้วิธีภาวนาเท่านั้นแหละการภาวนาก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเช่นตีกอล์ฟเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้วิธีเล่นไปมันก็เล่นไม่เ ล, เล่นไม่ถูกเล่นไม่เป็นการ มีครูอาจารย์นี่ไม่ต้องเป็นอาจารย์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรเพียงแต่ขอให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องท่านั้นเองอคำถามที่สองถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ละสังขารไปแล้วเราคว ร, ควรขวนขวายหาครูบาอาจารย์องค์อื่น และจะเป็นเหมือนกับการเริ่ ม, มต้นใหม่ไหมครับไม่หรอกวิชาที่เรารู้มันก็เหมือนกับไป ย, ย้ายโรงเรียนถ้าเรารู้สมาธิแล้วเราไม่รู้ปัญญาเราก็ไปหาอาจารย์ที่สอนทางปัญญาต่อเพราะอาจารย์ของเราตายไปเส้ยก่อนเราเลยยังไม่ได้เรียนปัญญาจากท่านแต่เรารู้จักสมาธิแล้วเราเข้าฌานได้แล้วเราก็ไปเรียนต่อไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ <c oughs> คำถามที่สามเวลาจิตวันไหวไปกับเรื่องราวที่มากระทบให้สมองบอกตามที่พระอาจารย์สอนแต่จิตใจยังไม่รับวางไม่ได้ควรทำอย่างไรครับก็ต้องใช้พุทธโธนี่ต้องบริกรรมพุทธโธท่องพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีความไม่สบายใจแล้วพอเราพุทธโธไปเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องนั้นไป แล้วความไม่สบายใจก็หายไปอันนี้ขั้นที่หนึ่งเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนพอเราแก้ปัญหาชั่วคราวได้แล้วพอความไม่สบายใจหายไปแล้วเราก็ใช้ปัญญามาคิดว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางไปต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไป คำถามจากคุณจิรนันหนูเรียนอยู่ต่างประเทศต้องนั่งทำงานกับชาวต่างชาติเป็นผู้ชายนิสัยไม่ปกติหนูแจ้ง professor เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาที่ทำกับหนูเขาโดนถูกเรียกไปตักเตือนหนูจะบาปไหมเจ้าคะอ๋อไม่บาปหรอกก็เป็นการเป็นการแก้ไขปัญหาเราไม่ได้ไปทุบตีเขาไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขา เพียงแต่เราก็ต้องไปแจ้งความแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าม า, าตัดเตือนหรือมาจัดการกับเขาถ้าไม่เช่นนลนะ้วเดี๋ยวเขาก็จะไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้แต่ก็อาจจะโกรธเราเกลียดเราก็ได้อาจจะจองเวรจองกรรมกับเราก็ได้อันนี้ก็เป็นผลที่เราอาจจะต้องรับเขาอาจจะมาคอยปล o n ร้ายเราต่อไปก็ได้ แต่ถ้าเราไม่พูดเราก็ก็เสียอย่างพอพูดก็เสียอีกอย่างเราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้ ว, ว่าเสียแบบไหนดีกว่าทนปล่อยให้เขาทาไปแล้วไม่มีปัญหากันหรือว่าไปแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วทำลงโทษเขาหรืออะไรเขาเขาก็อาจจะมาโกรแค้นโกรธเคืองเราอาจจะมาบ้องร้ายเราต่อไปก็ได้ ฉันทำอะไรมันก็มีผลนะได้อย่างมันก็เสียอย่างคำถามจากคุณหมอาการของจิตมันเฉยจนสงสัยในจิตว่าลูกจิตผิดปกติทำบุญหรือทำความดีต่างๆไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิก็เฉยๆเหมือนไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขใจจนรู้สึกว่าลูกกำลังเดินทางถูกไหมเจ้าคะ่ะก็ยังไปไม่ถึงจุดที่ ที่ต้องไปถ้าถึงจุดนั้นเ้าจะสุขมากตอนนี้อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ก็ถือว่าดีแล้วคือเราหนีออกจากการสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการไม่ทำบาปด้วยการมาทําบุญด้วยการมาฝึกจิตแต่เรายังทาไม่ถึงขีดที่จะทำให้มันเกิดผลขึ้นมาที่จะทำให้เกิดความสุขใจเอ็มใจขึ้นมาเราต้องทำให้มากขึ้นไป บางทีมันยังทามันน้อยไปเหมือนกินข้าวกินคาสองคามันยังไม่อิม่มันยังไม่รู้สึกอะไรกินให้มากขึ้นกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวรับรองได้ว่าต้องร้องโอ้ยอิ่มแล้วสุขแล้วนะงั้นยังทําน้อยไปที่ไม่ทุกข์เพราะาไม่ได้ทําบาปแล้วก็เลยไม่ทุกข์มันก็เลยเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เพราะว่าบุญ ย, ยังน้อยไปยังทาน้อยไปทาให้มากขึ้น ลองเพิ่มขึ้นไปเลยเคยทำสิบบาทก็ทำร้อยบาทเคยทำร้อยก็ทำพันไปดูแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าความสุขนี้อยู่ที่ว่าเมื่อกี้เราทำน้อยไปเห็นกินข้าวสองคำมันยังมันยังไม่รู้สึกอิ่มใช่ไมเอาสาักยี่สิบคำสามสิบคำ น, นี้โอ้เริ่มรู้สึกแล้วคำถามจากคุณเล็ก ทำไมการทำสมาธิวิปัสนาถึงเกิดบุญครับเป็นบุญกนละอย่างกับบุญที่ทำทานนคือคำว่าบุญคือความสุขใจความสุขใจเกิดขึ้นได้หลายหลายทางแบ่งความสุขให้กับคนอื่นก็เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทำใจให้นิ่งสงบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอีกแบบหนึง่งนั่นก็เป็นบุญเหมือนกันแต่เป็นคนละทางกันคนละระดับกัน เหมือนคนที่กินกว๋วยเตี๋ยวก็มีความสุขคนกินข้าวผัดก็มีความสุขแต่มันก็เป็นเป็นวิธีต่างกันบางคนต้องต้องดูหนังฟังเพลงด้วยถึงจะมีความสุขกินข้าวเฉยๆเราไม่สุขต้องไปกินตามร้านอาหารที่มีบันเทิงด้วยถึงจะมีความสุขมันก็เป็นเรื่องของการสร้างความสุขแต่ละวิธี คำถามจากคุณอุมาคนที่ไม่ได้ออกบวชมีโอกาสเข้าถึงอริยทรัพย์ได้หรือไม่เจ้าคะ่ะก็ต้องปฏิบัติเนี่ยจำบวชหรือไม่บวชไม่สําคัญสําคัญที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากจะเข้าอริยทรัพย์ก็ต้องผ่านพรหมรัพย์ก่อนต้องผ่านเทวสัพย์ก่อนพอได้เทวรัพย์ก็ไปสู่พรหมรัพย์พอได้พรหมรัพย์ก็ถึงจะไปสู่อริยทรัพย์ได้ คำถามจากคุณโอเวลาที่นั่งสมาธิไปสักพักนักเกิดอาการไอหรือสำลักต้องปรับอย่างไรคะถ้ามันเป็นทุกครั้งก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแสดงว่าสติเรากําลังไม่พอถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็เดินก่อนเดินจงกรมแทนก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปยาวๆสวดอิทิปิโสตามอายุของเราอายุสามสิบก็สวดไปสามสิบจบ เสร็จแล้วค่อยลองมานั่งดูนั่งนั่งดูลมหรือพุทโธใหม่อาการเหล่านี้ก็อาจจะหายไปเพราะมันเป็นอาการของกิเลสต่อต้านการปฏิบัติของเรากิเลสเป็นเหมือนข้าศึกษัตรูของเรามันจะพยายามสร้างอุปสรรคขวางการทางเราไปคำถามจากคุณรัชดาวัน การภ า, า, า, าวนาหรือเวลานอนหลับอยู่มีเสียงดังขึ้นออกมาและรู้สึกใจสัน่นต้องแก้อย่างไรครับไม่ต้องแก้หรอกมันสติเรายังน้อยพยายามาสร้างสติให้มากขึ้นให้อยู่กับเกาะติดอยู่กับพุทโธหรือเกาะติดอยู่กับลมให้มากขึ้นเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองคำถามจากคุณแสง การที่เรายังใช้ชีวิตของเรือนอยู่ในปัจจุบันทำไมถึงทำให้ปฏิบัติทำได้ยากครับเอมันก็มีภารกิจของผู้ของเรือนต้องทำนะเนี่ยเป็นผู้ของเรือนก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันเวลาก็หมดไปกับการทำงานวันหนึ่งมาตื่นแต่เช้ามาก็ต้องรีบไปทำงานก่าจะกลับมาจากทำงานก็เย็นค่ำเวลาที่จะมาปฏิบัติก็มีนิดเดียว แล้วทำงานมาก็เหนื่อยเมื่อยล้าบางทีก็เครียดทำให้ไม่มีกระจิตกระจายอยากจะฝึกสมาธิกันปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราไม่มีเป็นไม่ ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่มีเรือนไม่มีไม่เป็นผู้คองเรือนไม่มีครอบครัวเราเป็นพระนี่เราไม่มี งานต่างๆที่เราจะต้องมาทํากันงานหากินกง่ายๆเพียงแต่เดินบินทบาตชั่วโมงหนึ่งก็ได้อาหารมาเยอะแยะแล้วและการเดินบินฑ บ, บาดก็ปฏิบัติไปได้ในตัวด้วยจเจริญสติได้ในตัวไปคําถามจากคุณดาคําถามแรกถ้าเรารักษาศีลทําอาหารแล้วเผลอไปโดนมดตายเราควรทําอย่างไรครับ ก็ฝึกสติให้มากขึ้นนะเราเมืไรก็ให้มีสติอยู่กับการที่เราทำอยู่เห็นตัวมดเราก็เขี่ยมันทิ้งไปก่อนแล้วค่อยทำอะไรต่ออย่าให้มันอยู่ใกล้กับบริเวณที่เรากำลังทำอะไรอยู่คำถามที่สองการกวาดอยากย่ยถือว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมครับไม่ผิดเราถือว่าเป็นการทำสบาดทำความสะอาดบ้านเรา อยากย้ายมันไม่รู้ที่ไปทําบ้านมันมาทําบ้านของในบ้านของคนอื่นก็ก็ต้องถูกเขาไล่ไปถ้าเกิดมีคนมานอนที่บ้านเราเราจะให้เขาอยู่ป่ะ เ, เราก็บอกพี่ไปหาที่อื่นอยู่เถอะนะที่นี่ไม่ได้เป็นที่อยู่ของพี่ อ, อันนี้ก็เหมือนกันอยากย้ายก็มาทําที่อยู่ในบ้านเราเราก็บอกพี่ไปอยู่ที่อื่นเถอะนะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของพี่เอ ตราเราไม่ได้ไปทําให้เขาตายหรือเจ็บตัวเลยไม่ไม่บาปนะคําถามจากญญาคุณนิยาคําถามแรกลักษณะของคําพูดเพอร์เจอร์แท้จริงเป็นแบบไห น, นแล้วคําพูดแบบไหนจัดวพพ่าผิดศีลครับเพอเจอร์ก็คือพูดแล้วไม่มีสาระประโยชน์ไม่มีเอาไปทําประโยชน์ไม่ได้อพูดในเรื่องที่ทฟังแล้วเอาไปทําประโยชน์ได้ เช่นพูดเรื่องปลูกข้าวปลูกผักทากับข้าวเย็บผ้าตัดผ้าหรือพูดเรื่องธรรมะหรือวิชาการต่างๆวิชานิตาศาสตวิทยาศาสตร์นี่เรียกว่าเป็นคำพูดที่มีสาระผู้ที่ไม่มีประโยชน์ก็คือนินตาการเลยกึกกักึกกไปไอคนนั้นหูหนวกตาบอดแขนขาด ไอคนนี้ไปยุ่งกับแฟนของคนนั้นไอคนนั้นมายุ่งกับแฟนของคนนี้เรื่องเหล่านี้เรียกว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อย่าไปพูดดีไม่ดีกับมีโทษเจอได้ซ้ําไปพูดแล้วเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนบุคคลที่สามเขาเดี๋ยวเขารู้ข้าวเขาก็กลับจะมาด่าเราได้มึงมายุ่งกับกูทําไมวะเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึง ดีไม่ดีก็ตีกันนะเรื่องของไร้สาระมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องของการพูดเพ้อจะเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้คำถามที่สองคำหยาบคือสำเนียงหยาบคายหรือคำที่ใช้ในการพูดหยาบคายเจ้าคะและพูดแบบไหนถึงจะหยาบคายผิดศีลก็อลองพูดดูสิลองไปพูดดูไอหา ด, ดูถามเราว่าไอหานี่ หยาบคายไม่หยาบบางแห่งเขาก็ว่าไม่หยาบบางแห่งเขาก็ว่าหยาบแล้วแต่เราอยู่ว ง, วงออยู่ในวงไหนวงที่เขาพูดในหาเราไปพูดในหามันก็ไม่หยาบนะแล้วไปอยู่ในวงที่ก็ไม่พูดในหาไปพูดมันก็หยาบเนี่ยเนี่มันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่วงการไหนเราก็ต้องรู้รู้การละเทศะ คำถามที่สามการรักษาศีลเราต้องมีเจตนาตั้งใจที่จะรักษาศีลจึงจะจัดเป็นการรักษาศีลใช่ไหมเจ้าคะไม่คือการรักษาศีลก็คือไม่ละเมิดไม่ทำผิดศีลการจะทำไม่ทำผิดศีลได้ก็ต้องมีความตั้งใจก่อนไม่ใช่ตั้งใจจะไม่ขโมยแต่พอเห็นว่าไม่มีใครรู้ก็ขโมยอย่างนี้ก็แสดงว่ายังรักษาศีลไม่ได้ ถึงแม้มีเจตนาว่าจะไม่ขโมยแต่พอหันซ้ายหันขวาไม่มีใครรู้เนี่ยว่าเอาไปก่อนแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ายังรักษาศีลไม่ได้เจตนาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีเจตนาเลยมันไม่สนใจเลยเห็นอะไรอยากได้มันก็หยิบเลยแต่ท่านมีเจตนามันคิดก่อนให้เราตั้งใจยังไม่รักษาศีลนี่แต่บอกให้ไม่เป็นไรเราไม่มีใครเห็น่าไม่มีใครเห็นก็เอาก่อน้็แล้วก็ อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ยังยังไม่ได้รักษาศีลต้องตั้งใจแล้วแค่มีใครเห็นไม่เห็นก็ไม่แตะไม่ยุ่งอยถึงนี้เรียกว่ารักษาศีลได้คำถามจากคุณจีราการที่เลี้ยงหลานให้เขาได้ดีในทางโลกคือได้เรียนหนังสือในประเทศอังกฤษกับการเลี้ยงหลานในเมืองไทยให้เขาได้เป็นพระเป็นเนนบางครั้งก็ลังเลว่าทาถูกหรือเปล่า ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะทางธรรมมันดีกว่าทางโลกอยู่แล้วนะลดแห่งธรรมเหนือกบลถของทางโลกทางโลกไปเรียนจบออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เป็นด็อกเตอร์กลับมาก็ยังต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆอยู่ถ้าไปบวชเนบวชพระเป็นพระอริยะขึ้นมาก็ไม่ต้องทุกกับอะไรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคาถามจากคุณไผทูลคาถามแรก พระต่างนิกายที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมกรรมฐานและเข้าอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ควรที่จะไปเปลี่ยนนิกายซะก่อนแต่ถ้ามาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็อาจจะไม่ก็อยู่ได้แต่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เคยเคยจับเงินจับทองก็มาจะอยู่ที่นี่ก็จับเงินจับทองไม่ได้เคยดื่มนมตอนบ่ายตอนเย็นได้มาอยู่ที่นี่ก็ดื่มไม่ได้ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติของสถานที่ที่เราไปอยู่ด้วยแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ยาวอยู่นานเขาก็นิยมให้เป็นยัติยตัตเก็คือบทใหม่โดยไม่ต้องศึกคือไปเข้าบทใหม่ไปเข้าบทของธรรมยุทธ์แล้วก็ไป ถ้าเราเป็นมหานิกายเราก็ต้องเปลี่ยนนิกายการเปลี่ยนนิกายเราเรียกว่าญาติก็เหมือนกับการบวชใหม่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องศึกเราก็ผมผ้าเหลืองเข้าไปแล้วก็ไปขอบวชใหม่ขออุปสมบทใหม่คำถามที่2ผมชอบภาษาอังกฤษก็เลยลองอ่านหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษแปลได้บ้างไม่ได้บ้างครับต้องเปิดพจนานุกรมบ่อยๆ อ, อันนี้ถือว่าเป็นการผิดหลักภาวนาไหมครับ ออมันเป็นการศึกษามันไม่เกี่ยวกับการภาวนาเนี่การศึกษาก็เรียนวิธีต่างๆก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราก็ต้องเรียนรู้วิธีต่างๆก่อนว่าจะ ท, ทำอย่างไรเห็นถ้าเราแปลผิดแปลถูกมันก็ จ, จะทำผิดทำถูกได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเรียนภาษาเราจะดีกว่าถึงแม้เป็นภาษาเราถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องไปถามคนที่เขาปฏิบัติมาแล้วว่า ว่าความคิดของเราแบบนี้ถูกไหมถ้าไม่ถู ก, กจะได้ปรับปรุงแก้ไขใ ห, ใหม่เพราะบางทีอ่านหนังสือแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดได้คำถามจากคุณชัยยุทธผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้ธรรมะข้อใดมาปฏิบัติถึงจะหายป่วยได้ครับใช้สติสติมันทำให้จิตกิเลสมีความกำลังมาก มีความอยากมากพออยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจเศร้าใจซึมเศร้าขึ้นมาไม่มีความสุขเหตนก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากต่างๆพอความอยากมันลดลงไปอความเศร้าความเสียใจก็จะน้อยลงไปพอไม่มีความอยากเลยใจก็สบายมีความสุขหายเศร้า คำถามจากคุณประภาพันธ์หนูไม่เคยฟังธรรมะเลยการทําสมาธิทําใจให้นิ่งต้องทําอย่างไรอยากให้มีสมาธิอยากให้ใจเย็นเจ้าค่ะก็ต้องมีอะไรคอยควบคุมความคิดเนี่ยเช่นคําบริกรรมพุทโธลองหัดท่องพุทโธไปทั้งวันดูแล้วจะรู้สึกใจเริ่มสงบขึ้ น, ข, นขึ้นมาทันทีเลยทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้นั่งเพียงแต่ท่องพุทโธไปทั้งวันน เหลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าจะมีความจำเป็นจะต้องคิดบางเรื่องบางอย่างบางเวลาก็หยุดพุดโทโธได้ชั่วคราวพอไม่พอไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องคิดอะไรก็พุโทโธไป ถ, ถ้าใจไปคิดเรื่องเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ คำถามจากผู้ฝากถามการที่เราจะไปอยู่นิพพานต้องทำอย่างไรครับก็ฆ่ากิเลสให้หมดด้วยระเบิดนิวเคลียร์ของพระพุทธเจ้าด้วยตายรักด้วยอริยสัจสด้วยฌานด้วยศีลล้วเราก็จะไปนิพพานได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิตลอดเจ้าค่ะแต่ก่อนทำอะไรไม่คิด ทุกวันนี้มีเหตุผลมากขึ้นเป็นเพราะการที่เราได้นั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าคะใช่การนั่งสมาธิทําให้เรามีสติมีสติยับยัง้งตั้งเจ้าชั่งตัวงความคิดของเราก่อนว่าทําอย่างนี้ถูกหรือไม่ทําอย่างนี้ผิดหรือไม่ถ้าไม่มีสติพอเนื้ออยากจะทําอะไรก็ทําเลยมารู้ทีหลังว่าผิดแต่แล้ว สายไปใช่แล้วแต่ตอนนี้เรามีสติก่อนที่เราจะทําอะไรแเราอพอเราคิดจะทําอะไรเราถามตัวเองก่อนว่าดีไม่ดีถูกหรือไม่ถูกสุขหรือทุกข์กันแน่อย่างนี้พ่อมีสติค่อยยับยั้งความคิดยับยั้งการกระทําให้มีเวลาได้ไต่ตรองก่อนคําถามจากคุณดาการรักษาศินแปดไม่ทานอาหารหลังเที่ยงวัน แต่หลังจากเที่ยงเราสามารถทานอะไรได้บ้างเจ้าขาที่ไม่ผิดครับพระพุทธเจ้าอนุญาตเพศัชห้าชนิดด้วยกันคือน้ำน้ำตาลหรือน้ำอ้อยหนึ่งน้ำผึ้งสองน้ำมันน้ามันที่เรามาทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็เนยข้นเนยใสพวกนี้อาจจะมาช่วยบรรเทาความโหยของร่างกาย น้ำตาลเวลาหิวมากมากไม่มีเรี่ยวมีแร ง, งพอกินของน้ำตาลเข้าไปมันก็ทำให้มีกำลังขึ้นมาหน่อยก็อนุญาตของพวกนี้ของที่อนุญาตก็อีกอย่างก็คือพวกน้ำผลไม้ต่างๆแต่ต้องเป็นขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นคือขนาดปกติของผลไม้ชนิดนั้นไม่ใช่เอาสับปะรดขนาดกำปั้นมาใช้นีไม่ได้ขนาดธรรมดาของสับปะรดมันใหญ่กว่ากาปั้น แต่เขาอา จ, จะมีบางชนิดที่มันเล็กกว่ากำปั้นนี้ไม่ได้เหมือนกันหรือส้อมโอแตงโมเนี่ยบางลูกมันอาจจะเล็กขนาดกำปั้นก็ไม่ได้นะคือเราคําว่าขนาดกำปั้นนี่หมายถึงปะกติของมันนี่ยอยพวกส้มโอพวกมะพร้าวพวกสับประรดเนี่ยของอไผลไมใ้ใหญ่ๆเหล่านี้เอามาคั้นเป็นน้ําไม่ได้มาเดื่มไม่ได้ต้องเล็กกว่า เท่ากับกำปั้นเช่นส้มแอปเปิลองุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ละครั้นเจ็ดก็ต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดนี่เรียกว่าน้ําปานะคือน้ำน้ำผลไม้คั้นสดๆสมัยก่อนไม่มีที่เก็บเขาไม่ให้เก็บข้ามคืนน้ลลําผลไม้คั้นเจ็ดต้องกินให้หมดในวันนั้นถ้าถ้าข้ามคืนแล้วให้ทิ้งไป เพราะอาจจะเสียอาจจะบูดอาจจะทําให้ท้องเสียได้อแล้วนอกจากนั้นก็ของที่เรามาใช้เป็นยาอพวกใบชานี่ก็ถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งก็ดื่มน้ําชาได้กาแฟเขาก็ถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งก็ดื่มกาแฟได้แต่ใส่นมไม่ได้นมนี่ถือว่าเป็นอาหารสําหรับพระ นิกายหนึ่งถือว่าเป็นอาหารแต่พระเอกนิกายหนึ่งไม่ถือว่าเป็นอาหาร่างแล้วแต่ว่าเราไปศึกษาอยู่คับนิกายไหนนิกายที่เขาไม่ถือว่าเป็นอาหารก็ดื่มนมตอนหลังเที่ยงวันได้แต่ท่านิกายที่เขาถือว่าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมวัวนมควายหรือนมผงนมกาแฟอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นนมทั้งนั้น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามรักษาศินห้าอยู่แต่ที่ทำไม่ได้คือเล่นหวยอย่างนี้จะผิดศีลไหมเจ้าค่ะอยากเอาเงินที่ซื้อมาทำบุญเหมือนหลวงพ่อเทศจะชนะใจตนเองได้อย่างไรเจ้าค่ะก็เอาเงินซื้อหวยมาทำบุญเลยไม่ต้องไปซื้อหวยซื้อหวยแล้วเนไม่ถูกก็ไม่ได้ทำบุญซื้อเอาเงินที่จะไปซื้อหวยนี่มาทำบุญเลยได้ทำบุญแน่นอนกว่าดีกว่าเอาเงินไปซื้อหวยก่อนร้อยถูกหวยแล้วค่อยมาทำบุญ เดีถ้าเกิดมันไม่ถูกมันจะท่านแล้วมันจะทําบุญได้อย่างไรนะฮะนอกจากการทําบุญนี้ไม่บาปนะไอการเล่นหวยไม่บาปเขาเรียกว่าอบายมุกเป็นเพื่อนของบาปคือเดี๋ยวทําเล่นหวยมากๆเดี๋ยวเงินหมดมันก็จะไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นต่อนะมันเป็นเพื่อนกันพระท่านเจ้าเลยบอกว่าอย่าอย่าไปคบเพื่อนของบาปนะอย่าทําบาปแล้วอย่าไปคบเพื่อนด้วย เพื่อนของบาป ก, ก็คือดื่มสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวเตะ เ, เกียรติ้านคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยพวกนี้อย่าไปคบอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันจะชวนให้เราไปทำบาปต่อไปในภายหลังนั่นเองอคำถามจากคุณนรงกรทํทำไมเวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจในธรรมเกิดอาการขนลุกครับ ก็มันเรื่องอาการของคนนะแต่ละคนบางคนเห็นดาราชอบใจขนก็ลุกขึ้นมาบางคนเห็นทองคําขนก็ลุกขึ้นมาบางคนเห็นเลขถูกหวยนี่ก็ขนลุกขึ้นมามันก็แล้วแต่นะแต่ละคนอาจจะมีอะไรมาจี้ต่ำของความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มาจี้ต่ำของความรู้สึกของตนทําให้เกิดขนลุกซาขึ้นมาอาการเหล่า น, นี้เขาเรียกว่าปิติไงปิติ คำถามจากคุณแสงทำสมาธิถ้านั่งที่นั่งที่มีพนักพิงจะผิดรูปแบบไหมครับไม่ผิดเราจะ่มันจะทำให้สบายแล้วมันจะหลับงั้นอย่าไปนั่งที่มีที่พิงอย่าอย่านั่งบนเบาะหนาหนานั่งบนพื้นแข็งแข็งให้มันเจ็บมันจะไ ด, จะได้จะได้ไม่ง่วงเวลาเจ็บแล้วมันจะได้ไม่ง่วงมันจะได้ใช้สติสู้กับความเจ็บต่อไปได้งั้นอย่านั่งบนเบาะนั่งอะไรเลยนั่งกับพื้นธรรมดา เพรเดี๋ยวเวลาจะไปไหนมาไหนทีมันจะลําบากถ้านั่งเบาะนั่งอาสนะพิงไปไหนก็ต้องขนมันไปด้วยไม่มีก็นั่งไม่ได้สูบนั่งแบบตัวเปล่าๆดีกว่าที่ไหนนั่งได้ก็นั่งไปเลยอนั่งกับพื้นคําถามจากคุณกนกวันการสวดมน้ำข้ามปีได้บุญเยอะกว่าการสวดมนในวันอื่นๆจริงหรือไม่เจ้าค้าเอก็วันอื่นๆกับวันข้ามปีมันต่างกันตรงไหนลนะ คืนวันที่สามสิบเอ็ดกับคืนวันที่หนึ่งมันต่างกันหรือเปล่าแล้วถ้าสวดคืนวันที่หนึ่งมันจะได้น้อยกว่าสวดในคืนวันที่สามสิบเอ็ดเลถ้ามันสวดหนึ่งชั่วโมงเท่ากันนะมันก็ได้เท่ากันนะเหมือนกินข้าววันนี้ก็กินข้าวพรุ่งนี้มันอิ่มต่างกันหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นแค่นั้นแหละมันเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดกันมันเท่ากัน มันอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยไม่ใช่อยู่ที่วันเหมือนกินข้าวกินมากกินน้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินวันไหนกินวันที่สาสิบเอ็ดนี่อิ่มกว่ากินวันที่หนึ่งละกินข้าวสองจานเท่ากันนี้มันก็เท่ากันนะคำถามจากคุณบุญรัตการที่มีคนทำวัตถุมงคลเพื่อจะนำเงินสมทบทำบุญที่วัดแต่ถวายปัจจัยไปแค่ส่วนเดียวที่เหลือเอาไปใช้เองจะเป็นบาปหรือไม่ครับ ก็ถ้าไม่ได้ไปบอกเขาว่าจะเอาไปทำทั้งหมดมันก็ไม่บาปถ้าบอกว่าเงินได้มาทั้งหมดนี้จะเอาไปทำบุญแล้วไม่เอาไปทำบุญก็เป็นการโกหกหลอกลวงช่อโกงแต่ถ้าบอกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญก็ไม่บาป คำถามจากคุณกันอกวันการที่ต้องออกงานสังคมมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นไวน์บ้างแชมเปญบ้างพอเป็นพิธีเช่นนี้ถือว่าผิดศีลห้าแล้วใช่หรือไม่ครับใช่แล้วแม้แต่หยดเดียวก็ผิดนะผิดหยดเดียวไงเหมือนผ้าเนี่ยผ้ า, า, าถูกรูเข็มเข็มแทงมันก็มันก็มันเป็นรูนขึ้นมาแล้วกับผ้าที่ถูกมีดกรีดเนี่ยมันก็ขาดมากกว่ากัน ศีลมันก็มีขาดมากขาดน้อยขึ้นอยู่ว่าเราทํามากทําน้อยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอความเมตตาหลวงพ่อสอนการเพ่งกสิณลมครับว่าควรบริกรรมว่าอย่างไรและเพ่งจิตไว้ตรงไหนครับกสิณลมก็ไม่เรียกสิณเนี่ยเขาเรียกอาณาปนานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกให้ดูที่ปลายจมูก ลมเข้าลมออกมันจะแตะที่ปลายจมูกให้ดูตรงที่มันแตะมันสัมผัสที่เรารับรู้ได้รู้สึกได้ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจยาวหรือหายใจสั้นให้มันหายใจไปตามเรื่องของมันมันจะยาวก็เรื่องของมันมันจะสั้นก็เรื่องของมันมันจะหยาบก็เรื่องของมันจะละเอียดก็เรื่องของมันให้เรารู้เฉยเไม่ต้องไปทาอะไรกับลม เแต่ให้รู้เพื่อหยุดความคิดต่างๆท่านั้นเองแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปได้หมดแล้วเลยหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ